สิกขาบทที่11ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่คนผู้เดินไปข้างหน้าณนะที่ไหนในสิกขาบทที่11นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต